คาถาสดอเคราะห์ต่ออายุอิติปิโสภควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระจันเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระพุทธเทวาวิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภควาพระพระฤหัตเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระสุขเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระสาวเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระราหูเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระเกตเทวาวิญญาณสัมปันโน ติปิโสภควาอาระหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุโทโธอิติปิโสภควาวิชาจรณะสัมปันโนอิติปิโสภควาสุขโตอิติปิโสภควาโลกวิทูอิติปิโสภควาอนุตตโรปุริสธรรมสารถิอิติปิโสภควาสัทธาเทวมนุษย์านาง อิติปิโสภควาพุทธโธอิติปิโสภควาภควาภะควาติ